พุทธะนิกายเปตวัตถุผู้พ่อค้าถามรเรลตตนหนึ่งว่าแน่เพื่อนยากท่านเปลยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสับร่างไปด้วยเส้นเอ็น มีแต่สี่โครงผุดขึ้นมีร่างกายสู้ผอมท่านเป็นใครกันหนอเปรตนั้นตอบว่าผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลกพวกพ่อค้าถามว่าท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือ เพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกเปรตนั้นตอบว่ามีพระนครของพระเจ้าทสัสสนราชปรากฏชื่อว่าเอรักกัตฉะเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครนั้นชนทั้งหลายเรียกข้าพเจ้าว่าธนปาลเศรษฐีข้าพเจ้ามีเงินแปสิบเล่มเกวียนทองคํา แก้วมุกดาแก้วไพฑูนก็มีมากมายแม้ข้าพเจ้าจะมีทรัพย์มากมายถึงเพียงนั้นก็ไม่พอใจที่จะให้ทานปิดประตูเรือแล้วจึงบริโภคอาหารด้วยคิดว่าพวกยาจบยาได้เห็นเราเข้าพเจ้าไม่มีศรัทธาเป็นคนตระนีกระด้างได้ด่าพวกคนที่ให้ทานทำบุญและห้ามชนเป็นจำนวนมากที่ให้ทาน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 เคลื่อนจากมนุษยโลกนั้นแล้วจึงเกิดในแดนเปรตมีแต่ความหิวกระหายตลอดห0สปีตั้งแต่ขาพเจ้าตายแล้วยังไม่ได้กินข้าวและดื่มน้ำเลยความห่วงแหนทรั์เป็นความพินาศความพินาศก็คือความห่วงแหนทรั์ได้ยินว่าเปรตทั้งหลายก็รู้ว่าความห่วงแหนนรับเป็นความพินาศ เมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าหัวแหนงทรัพย์เมื่อทรัพย์มีอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ให้ทานเมื่อทายธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทาที่พึงแก่ตนข้าพเจ้านั้นได้รับผลกรรมของตนจึงเดือดร้อนในภายหลังพ้นจากสี่เดือนไปแล้วข้าพเจ้าจักตายจักตกนรกอันเราวร้อนแสนสาหัสนรกนั้นมีสี่เหลี่ยมมีประตูสี่ด้าน กำสร้างจำแนกไว้เป็นส่วนๆล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิงประกอบด้วยความร้อนแผ่ไปรอบตลอดร้อยโยออยู่ตลอดกาลข้าพเจ้าจะต้องเสวยทุกขเวทนาในมหานารกนั้นยาวนานด้วยว่าการเสวยทุกเช่นนี้เป็นผลกรรมชั่วเพราะฉะนั้น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 จงเกื้อกูลบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในสกุลเป็นผู้เกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพรามด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายจักไปสู่สวรรค์นันที่เสนา อ, อุบาสกถามว่า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 หยาบคายและไม่เคารพท่านได้กล่าววาจาชั่วร้ายกับท่านจึงต้องจากโลกนี้ไปยังไปตะโลกนั่นที่เสนาอุบาสกกล่าวว่าเอาละเราจะให้ผ้ายัางดีแกเธอเธอจงนุ่งผ้านี้นุ่งเสร็จแล้วจงมาเราจะนาเธอไปเรือนเธอไปเรือนแล้ว จากได้ผ้าข้าวและน้ำทั้งจากได้เห็นบุตรและลูกสะั้ยทั้งหลายของเธอนางปรตนั้นตอบว่าผ้านั้นถึงท่านจะหยิบยื่นให้ที่มือของดิฉันก็ไม่สำเร็จแก่ฉันท่านจงเลี้ยงพิสูจ์ทั้งหลายผู้มีศีลสมบูรณ์ปราศจากราคะเป็นผู้หูสสตร ให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำจงอวยทิดส่วนบุญให้ฉันเมื่อ น, นั้นฉันจะมีความสุขสำเร็จสมความปรารถนาทุกอย่างนันทิเสนาอุบาสนั้นรับคำแล้วได้ถวายทานไปอันมากคือข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าเสนนาสนะร่มของหอมดอกไม้ และรองเท้าต่างๆและเลี้ยงพิสูจ์ทั้งหลายผู้มีสินสมบูรณ์ปราศจากราคะเป็นผู้หูสูดให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำแล้วอุทิศส่วนบุญให้นางนันทานั้นในลำดับที่นันที่เสนาอุบาสกอุทิศส่วนบุญให้นั่นเองวิบากคืออาหารเครื่องนึ่งห่มและน้ำดื่มก็เกิดขึ้นแกนางประเดชนั้น นี้เป็นผลแห่งทักษิณาทันใดนั้นนางเปรตมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแก้นกาสีมีพัตตระลาพรและเครื่องประดับวิจิตงดงามเข้าไปหาสามีนันที่เสนอุอบาสกถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนัก เป่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจ ด, ดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในที่นี้และโภคาทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามเธอว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทาบุญอะไรไว้ เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศ ย, ย่างนี้นันทาเทพธิดาตอบว่าท่านนันทิเศนอุบาศบเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นภรยาของท่านเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังไปตโลก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 ให้ทานในโลกนี้กำจัดมลทินคือความตรรณีพร้อมทั้งเหตุได้แล้วไม่มีใครตำหนิติดเตียนได้จงเข้าถึงโลกสวรรค์นางติดสาถามนางเป ร, เรตตนหนึ่งว่าแน่นางเปรตผู้มีรูปร่างสู้ผม มีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่ากเกลียด น, น่ากลัวสูบหอมมีร่างกายสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ณที่นี้นางเปรดนั้นตอบว่าเมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาเธอชื่อติดสาฉันเป็นหญิงร่วมสามีของเธอเพราะทำกรรมชั่วไว้ จึงต้องจากโลกนี้ไปยังไปตะโลกนางติดสาถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องจากโลกนี้ไปยังไปตะโลกนางเพรศนั้นตอบว่าฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายริษยาตรณีและมักโอโอด ได้กล่าววาจาช่วต่อเธอจึงจากโลกนี้ไปยังไปตาโลกนางปิติสาถามว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอเป็นหญิงดูร้ายอย่างไรแต่อยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงมีร่างกายเบื่อฝุน่นนางเปรตนั้นตอบว่าเธอกับฉันพากันอาบน้ำชำระร่างกายแล้ว เธอได้นุ่งผอมผ้าสะอาดประดับตกแต่งร่างกายแล้วส่วนฉันประดับตกแต่งเรียบร้อยยิ่งกว่าเธอมากนักเมื่อนั้นฉันกำลังจ้องมองดูเธอคุยอยู่กับสามีทีนั้นฉันจึงเกิดความริษยาและโกรธเป็นอันมากทันใดนั้นฉันได้กวาาตะล่อมฝุ่นแล้วเอาฝุ่นปโปรยรถเธอเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงมีร่างกายเปื้อนฝุน่น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 ฉันได้โปรโยหมามุ้ยลงบนที่นอนของเธอจนทั่วเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงเป็นหิดนางติดสาถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอโปรโยหมามุ้ยลงบนที่นอนของฉันจนทั่วแต่ฉันอยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงเป็นหญิงเปลือยกายนางเปรตนั้นตอบว่า วันหนึ่งได้มีการประชุมเม็กหายและญาติทั้งหลายเธอได้รับเชิญแต่ฉันซึ่งร่วมสามีกับเธอไม่มีใครเชิญเลยเมื่อเธอเผลอฉันได้ลักขโมยผ้ากเธอไปเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงบรรหญิงเปลยกายนางติสาถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอลักขโมยผ้าฉันไป แต่ฉันอยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงมีกลิ่นกายเหม็นดังกลิ่นอุจจาระนางเปรตนั้นตอบว่าฉันได้ทิ้งห่อของหอมดอกไม้และเครื่องรูปไหล่ซึ่งมีราคาแพงของเธอลงส้วมฉันทำบาปชั่วช้านั้นไว้แล้วเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงมีกายเหม็นดังกลิ่นอุจจาระ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 ครั้งนั้นเธอได้กล่าวตักเตือนฉันห้ามไม่ให้ทำกรรมชั่วว่าเธอจะไม่มีทางได้สุขติเพราะกรรมชั่วนางติสากล่าวว่าเธอไม่เชื่อเราที่แท้กลับลิศยาเราเชิญเธอดูผลกรรมชั่วเมื่อก่อนที่เรือนของเธอได้มีนางทาสีและเครื่องประดับเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้นางทาสีเหล่านั้น พาการรับใช้คนอื่นโหค่าทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนบัด น, นี้กุดุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรเราจะกลับจากตลาดมายัางบ้านนี้เธ อ, อย่าเพิ่งรีบไปจากที่นี่เสียกอ่อนล่ะบางทีเขากลับมาจะพึงให้อะไรกับเธอบ้างนางเปรตนั้นตอบว่าฉันเปลืยกายมีรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัว สูบหอมมีร่างกายสับร่งไปด้วยเส้นเอ็นการเปลยกายและการมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวนี้เป็นสิ่งที่น่าละอายสําหรับหญิงทั้งหลายคุณดุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรอย่าได้เห็นฉันเลยนางติดากล่าวว่ามาเถอะฉันจะให้หรือทำอะไรกับเธอที่เป็นเหตุให้เธอมีความสุขสาเร็จ ความปรารถนาทุกอย่างฉันจะให้หรือกระทำแก่เธอนางเปรตนั้นตอบว่าขอเธอจงนิมนต์พิสุขสี่รูปจากสงนิมนต์จดจงอีกสี่รูปรวมเป็นแปรูปให้ฉันพัตนหารแล้วอุทิศส่วนบุญให้ฉันเมื่อ น, นั้นฉันจะได้รับความสุขสำเร็จความปรารถนาทุกอย่าง นางติดสานั้นรับว่าได้จ่าแล้วเนมลพิสุแป่รูปให้ฉันพัตาหารให้ครองไตรเจวรแล้วอุทิศ ส, ส่วนบุญให้นางเปรต n ั้นในลำดับที่นางติดสาอุทิศ ส, ส่วนบุญให้นั้นเองวิบากคืออาหารเครื่องนุ่งห่มและน้ำดื่มก็เกิดขึ้นกันางเปรต n ั้นนี่เป็นผลแห่งพัศนา ในนั้นนางเปรตมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแกว้กาสีมีพระตรพร์และเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหานางติสาซึ่งเป็นหญิงร่วมสามีนางติสาจึงถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ สถิตยอยู่ดุดดาวประกายพึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพันงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคาทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นกับเธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามเธอว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง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 ขอเธอพร้อมด้วยหมู่ญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิดจงเข้าถึงสถานที่ที่ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุรีมีความสำราญซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าวสวัรดีเธอผู้มีรูปงามเธอประพฤติธรรมให้ทานในโลกนี้กําจัดมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งเหตุได้แล้ว ไม่มีใครตำหนิติดเตียนได้จงเข้าถึงโลกสวรรค์โรฮินัยะอา ม, มาตกระดาบทูลว่าพระองค์ผู้กันหกโคตขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดจะมัวบรรทมอยู่ทำไมจะมีประโยชน์อะไร ต่อพระองค์ด้วยการบรรทมอยู่เล่าพระเกศวะบัดนี้พระพาดาร่วมพระอุทธร์ของพระองค์ซึ่งเป็นดังพระหทัยและไยเนตรเบื้องขวาของพระองค์ทรงมีลมกำเริบเพลครั่งอยู่พระเจ้าเกศวะทรงสดับคําของโรหิไนยอามาตนะแล้วได้ทรงอึดอัดเพราะความโศกถึงพระพาดา จึงรีบเสด็จลุกขึ้นทันทีทรงจับมือทั้งสองของคตตาบดิตไว้มั่นเมื่อจะทรงประัยจึงตรัสว่าเหตุไรหนอเธอจึงเป็นดังคนบ้าเที่ยวบนเพ้ออยู่ทั่วพระนครทวารการนี้ว่ากระต่ายกระต่ายเธอต้องการกระต่ายช่นไรฉันจักให้นายช่างทำกระต่ายทองคำ กระต่ายแก้วมณีกระต่ายโลหะกระต่ายเงินกระต่ายสังกระต่ายศิลากระต่ายแก้วประพานให้เธอแม้กระต่ายอื่นที่เที่ยวหากินอยู่ในป่ายังไม่อยู่ฉันจักให้นำกระต่ายแม้เหล่านั้นมาให้เธอเธอต้องการกระต่ายชนเลยัตบันดิตกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการกระต่ายที่อยู่บนแผ่นดิน ถ้าพระองค์ต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์พระเกศวะขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดนำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่หม่อมชั่นด้วยเถิดพระเจ้าวาสุเทพตรัสว่าแน่พระญาติเธอจักละชีวิตที่ประเสริฐยิ่งเสียแน่เพราะเธอต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่า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 ผู้เกิดมาแล้วอย่าตายเลยพระองค์จะทรงได้พระราชโอรสที่ที่วงคตแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหนพระองค์ผู้กันหกโขาดพระองค์ไม่อาจจะนำพระราชโอรสผู้ที่วงคตแล้วที่พระองค์ทรงกันแสงถึงมาด้วยมนด้วยยาสมุนไพรหรือทรัพย์ใดๆไ ด, ไ ด, ได้แม้ชนทั้งหลายที่มีทรัพย์มาก มีโพคสมบัติมากถึงจะเป็นกษัตริย์ผู้ครองแฟนมีทรัพย์และธัญญหารมากมายจะไม่แก่ตายก็ไม่มีแม้ชนที่เป็นกษัตริย์พรามแพร์สูตรจันทานปุกกุสะและชนประเทอื่นๆผู้มีความเกิดของตนเป็นเหตุจะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีแม้เราชนผู้ไรม้มน รสมจินดามีองค์หกและเหล่าชนที่มีวิชาอื่นๆจะไม่แก่ตายก็ไม่มีอันหนึ่งแม้ฤาษีทั้งหลายผู้สงบสำรวมบำเพ็ญตบะก็ยังต้องละร่างกายไปตามการอันสมควรแม้พระอรหันต์ทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะสิ้นบุญและบาป ก, ก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไป พระเจ้าวาสุเทพตรัสว่าเธอมาช่วยลดเราผู้เราร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปลียงเธอบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของเราผู้กำลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบที่หัทไทของเราขึ้นได้แล้วหนอ เราผู้ซึ่งเธอช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้วเย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเธอชนเราใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเ่านั้นเป็นคนมีปัญญาย่อมทำสิ่งนี้ย่อมช่วยกันและกันให้หายจากความเศร้าโศกเหมือ น, ตนัตบัณฑิตช่วยพระเชษฐาพาดาให้หายจากความเศร้าโศก พวกอมาตะผู้ถวายการรับใช้ของพระราชาพระองค์ใดย่ยอมเป็นเช่นนี้ย่อมแนะนำด้วยสุภาษสิทธิ์เหมือนขตบันดิตแนะนำพระเชษฐาดาของตนพระเจ้าอาชาติสตรูกระถามเปรตนั้นว่าท่านผู้เจริญ ท่านเป็นนักบวชเปลือยกายสู้ผอมเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงไปที่ไหนที่ไหนเฉพาะกลางคืนขอท่านจงบอกเหตุที่มาแก่ข้าพเจ้าเถิดบางทีข้าพเจ้าอาจมอบทรัพย์เครื่องปื้มใจจากโภคะทั้งปวงให้แก่ท่านเปรตนั้นตอบว่าเมื่อชาติก่อนพระนครพารณสีมีกิตติคุณเรื่องลือไปไกล าพระองค์เป็นข้าหบดีผู้มั่งคั่งอยู่ในพระนคร น, นั้นแต่เป็นคนมีจิตสามไม่เคยให้สิ่งของแก่ใครมีใจคล่องอยู่ในอา m i ต h ได้ตกไปถึงวิสัยแห่งพยาโยมเพราะเป็นผู้ทุสิลเพราะบาปกรรมเหล่านั้นข้าพระองค์นั้นจึงลำบากเนื่องจากถูกความหิวเสียแทงเพราะความทุกข์อันเกิดแต่ความหิวนั่นแหละข้าพระองค์ ปรัถนาอามิตจึงได้มาหาหมย่าตมนุษย์แม้เราอื่นมีปกติไม่ให้ทานและไม่เชื่อว่าผลแห่งทานมีอยู่ในปรโลกทิดาของข้าพระองค์พูดอยู่เสมอว่าเราจักให้ทานกุธบิดามารดาปูยา่าตายายผู้พรามบริโภคทานที่นางจัดแจงแล้ว ข้าพระองค์จะไปยังเมืองอันธกะวินทะเพื่อบริโภคอาหารพระราชาจึงตรัสสั่งกับเขาว่าถ้าท่านไปได้สวยผลทานแม้นั้นพึงรีบกลับมาบอกเหตุที่มีจริงแก่เราเราฟังคำมีเหตุผลอันควรเชื่อถือได้แล้วจกทาสักการะบูชาบ้างเปรตจุลเศรษฐีรับพระดำรัสแล้ว ได้ไปยังเมืองอันธ ก, กะวินธานั้นแต่ไม่ได้รับผลแห่งทานนั้นเพราะพราหมณ์ทั้งหลายที่บริโภคพัดเป็นผู้ไม่มีศีลไม่ควรแก่ทักษิณาภายหลังเปรต จ, จุลเศษฐีกลับมายังกรุงรัชคืออีกได้แสดงกายให้ปรากฏเฉพาะพระพักของพระเจ้าอาชาติัตรูผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ชน พระราชาทอดเพระเนตรเห็นเปรตนั้นกลับมาอีกจึงตรัสถามว่าเราจะให้ทานอะไรถ้าเหตุที่จะทำให้ท่านอิ่มหนำตลอดกาลนานมีอยู่ขอท่านจงบอกเหตุนั้นแกนเราจุลรัตเศรษฐีเปรตกราบทูลว่าพระราชาขอพระองค์จงทรงอังครารพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยข้าวน้ำและจีวรน แล้วส่งอุทิศ ส, ส่วนบุญนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ข่าพระองค์ด้วยทรงบำเพ็ญกิจอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงอิ่มหนำตลอดกาลนานพระเหตุนั้นพระราชาจึงรีบเสด็จออกทรงถวายทานมากมายแก่สงฆ์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์และทรงกลาบทูเรื่องราวแด่พระตถาคตและทรงอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่เปรตนั้น และทรงอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่เปรตนั้นจุลรเสเศรษฐีเปรตนั้นได้รับการบูชาแล้วเป็นผู้ ง, งดงามยิ่งนักได้มาปรากฏเฉพาะพระพักของพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นเทวดามีฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยมมนุษย์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์เสมอเหมือนกับข้าพระองค์ไม่มีขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรอนุภาพซึ่งหาประมาณไม่ได้ของ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 รามถามว่าเจ้าประดับตกแต่งร่างกายใส่ตุ้มหูเกลี้ยงทัดทรงดอกไม้มีกายรูปร้ด้วยผงแก่นจันแดงประคองแขนคลำทวนอยู่กลางป่าเจ้าเป็นทุกเรื่องอะไรมัตตกุณทลีเทพบุตรผู้ปลอมร่างมาเป็นมนุษย์ตอบว่าเรือนรถที่ทำด้วยทองคำงามผุดพองเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า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 ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองย่อมปรากฏในท้องฟ้านั้นรถทองคำของข้าพเจ้าย่อมงามด้วยล้อทั้งคู่นั้นพ ร, รามกล่าวว่าพ่อมนบเจ้าโง่นักที่มาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าเข้าใจว่าเจ้าจกตายเสียก่อนเพราะไม่มีทางที่จะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยมโนบกล่าวว่า แม้การโคจรไปมาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่รสมีก็ยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนคนที่ตายล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ปรากฏเราทั้งสองผู้ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครหนอง้อฝักันพราหม์กล่าวว่าพ่อมนตเจ้าพูดจริงแท้เราทั้งสองผู้ร้องไห้ ร่ำควรอยู่ข้านี่แหละโง่กว่ามาประรถนาถึงคนที่ตายล่วงลับไปแล้วเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เจ้ามาช่วยลดข้าผู้ร้อนร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปลียงเจ้าบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของข้าผู้กำลังเศร้าโศก ชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบที่หัวใจของข้าขึ้นได้แล้วหนาพ่อมนบข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้แล้วย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเจ้าเจ้าเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเทาส ก, กะเจ้าเป็นใครหรือเป็นบุตรของใคร เราจะรู้จักเจ้าได้อย่างไรมนุษย์นั้นปเปิดเผยตนแก่พรามณ์นั้นว่าท่านเองเผาบุตรที่ป่าช้าแล้วคร่ำควรร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าซึ่งทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของทวยเทพชั้นดาวดึงพราหมณ์ถามว่าเมื่อเจ้าให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตน หรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่ได้เห็นเพราะทำกรรมอะไรเจ้าจึงไปเทวโลกได้มานกตอบว่าข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ได้รับทุก์มีกายกระสับกระส่ายอยู่ในที่อยู่ของตนได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสดังทุลีทรงข้ามพ้นความสงสัยเสด็จไปดีแล้ว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 อย่าให้ขาดและด่างร้อยคือจงริบงดเว้นจากการคาาสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกยินดีเฉพาะภระยาของตนอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มน้ําเมาพราหมณ์กล่าวาา ว, าาาว่าทวดาผู้น่าบูชาท่านเป็นผู้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า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 ไม่ดื่มน้ำเมาท่านพระสารีบุตรเทระถามนางเป ร, เรตดศตนหนึ่งว่าแน่นางผู้มีร่างกายสู้ผอมมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพันธุ์และรูปร่างหน้ากเกลียดหน้ากลัวสู้ผอม มีร่างกายสับรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ที่นี้นางเปรตตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตตโลกพระเทระถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทำกรรมชั่วทางกาย วาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องจากมนุษยโลกนี้ไปยังเปตตโลกนางประเรศตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ตามมารดาก็ตามหรือแม้เป็นญาติพึงชักชวนดิฉันว่าเธอจงมีจิตเลื่อมใสให้ทาน แกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แก่ดิฉันเช่นนั้นไม่ได้มีข้อที่ดิฉันเป็นประเสร็จเปลือยกายถูกความหิวและความอยากเบิดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอดห้ารอปีนับแต่บัดนี้ไปนั้นเป็นผลกรรมชั่วของดิฉันพระคุณเจ้าผู้แกล้วกล้ามีอนุภาพมาก ดิฉันมีจิตเรื่มใสขอไหว้ท่านและขอท่านจงอนุเคราะห์ดิฉันพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านจงให้ทยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญแก่ดิฉันบ้างขอจงช่วยดิฉันให้พ้นจากทุคติด้วยเถิดพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์นั้นรับคำนางเปรตนั้นแล้ว จึงถวายข้าวปั้นหนึ่งผ้ามีขนาดเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งและน้ำดื่มถ้วยหนึ่งแกพิสุแล้วอุทิศส่วนบุญให้นางประเดชนั้นในลำดับที่พระเถระอุทิศส่วนบุญให้นั้นเองวิบาคืออาหารครึ่งหมและน้ำดื่มก็เกิดขึ้นแก่นางประเ ด, ดนั้นนี่เป็นผลแห่งทักษิณาลำดับนั้น นางมีร่างกายหมดจุดนุ่งผ้าสะอาดสมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแกล้กาสีมีพัตราภรณ์และเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามว่าแม่เทพธิดาเธอมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักเปล่งรศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ ดุจ ด, ดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงประถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้โภคทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอตมาขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ทำบุญอะไรไว้แม้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพ รุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นตอบว่าเมื่อก่อนพระคุณเจ้าเป็นมุนีมีความกรุณาในโลกได้เห็นดิฉันสูบซีดผอมเหลืองหิวโหวยเปลือยกายมีผิวแตกเป็นริ้วรอยได้รับความทุกข์ได้ถวายข้าวปั้นหนึ่ง มีขนาดเท่าฝ่ามือหืนหนึ่งและน้ำดื่มถ้วยหนึ่งแกพิษุแล้วอุทิศ ส, ส่วนบุญให้ดิฉันขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งคำข้าวดิฉันสมบูรณ์ด้วยกามที่น่ารื่นรมบริโภคข้าวมีกับข้าวซึ่งมีรสหลายอย่างถึง 1,000 พปีขอพระคุณเจ้าจงดูวิบากแห่งผ้าที่มีขนาดเท่าฝ่ามือว่าเป็นเช่นใด ผ้าในแก้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดพระคุณเจ้าผู้เจริญผ้านุ่งผ้าห่มของดิฉันมีมากกว่านั้นคือผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านและผ้าฝ้ายผ้าเหล่านั้นทั้งยาวทั้งกว้างมีราคาแพงห้อยอยู่ในอากาศดิฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจนุ่งหม่มอันหนึ่งขอพระคุณเจ้า จงดูวิบากแห่งการถวายน้ำดื่มถ้วยหนึ่งว่ามีผลเช่นใดสะโบกรณีสี่เหลี่ยมลึกที่สร้างไว้ดีแล้วมีท่าเรียบมีน้ำใสยเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบไม่ได้หนานแน่นไปด้วยดอกประทุมและดอกอุบลเต็มด้วยน้ำซึ่งดารดาดด้วยเกสรดอกบัวดิฉันเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน ย่อมเรื่นรมร่าเริงบันเทิงใจพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันมาเพื่อจะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็นปราดมีความกรุณาในโลกท่านสาธุชนทั้งหลายเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก